ภาพโนดสามพระราชาดำาพระราชทานแก่ผู้พิพาทษาประจําศาลสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าเฝ้าถวายสัตว์กติยานตนก่อนเข้ารับหน้าที่นะักฆ่าตำหนักเสียมสุขวางไใจจังหวน อ, อหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขัธนธ์วั น, นันงคารที่25เมษายนาพุทธศักราช2549กระพบไม่เป็นทางการโดยสำนักรา ช, ชเลขาธิการ ปฏิบหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยความซื่อสั ต, สตย์สุจริตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเมื่อกี้ผู้จากผู้พิพากษาศาลปกครองก็ต้องขอให้เดี๋ยวไปไปปรึกษากับท่านเพราะว่าสําคัญที่ผู้พิพากษ า, าทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาชอะทานศาลฎีกาเป็นโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ มีปัญหาทางด้านกฎหมายที่สาคัญมากถือว่าทําไม่ได้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิญาณว่าจะทําให้ประเทศชาติปกครองได้โดยแบบราาประชาธิปไตยคือเวลานี้มีการเลือกตัง้งเพื่อให้มีการปกครองแบบราาประชาธิปไตยนั่นเองแต่ถ้าไม่มีสภาที่ครบถ้วนก็ไม่ใช่การปกครองแบบราาประชาธิปไตยฉะนั้นก็ขอให้ไปปรึกษากันผู้ที่มีหน้าที่ในทางฝางปกครอง ในทางสารอย่างที่มาเมื่อตะกี้เพื่อที่จะเป็นครบเป็นสิ่งที่ครบแต่ก่อนนี้มีมีอย่างเดียวมีสารกีกาสารอุธร์สารอายาสานแท่งเดี๋ยวนี้มีสารหลายอย่างอันนั้ไม่ถูกก็เมื่อมีก็ต้องให้ไปดาเนินการด้วยดีอย่างนั้นก็ขอให้ไปศึกษากับสารอื่นๆด้วยจะทําให้บ้านเมืองปกครองแบบ ป, ประชาธิปไตยได้ อย่ไปคอยที่จะให้ขอนายกพระราชทานเพราะขอนายกระราชทานจะได้เป็นการปกครองแบบราาประชาธิปไตยพระเจ้าจมีความเดือดร้อนมากที่เอไอะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบราาประชาธิปไตยถ้าไปอ้างว่าตราเสร็จของรัฐธรรมนูญเป็นการอ้างที่ผิดมันอ้างไม่ได้ตาาราเสร็จมีสองบรรทัดว่า อะไรที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีหรือตามที่เคยทํามาไม่มีเขาอยากจะได้นายกระราชทานเป็นต้นจะขอนายกระราชทานไม่ใช่เป็นเรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบขอโทษพูดแบบมั่วแบบไม่ไม่ไม่มีเหตุมีผลสําคัญอยู่ที่ท่านจะพู้ดภาษาสานติกามีสมองที่ ที่แสนใสสามารถควรจะสามารถที่จะไปคิดวิธีที่จะปฏิบัติคือตกครองต้องมีต้องมีสภาสภาที่ครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนเขาว่าไม่ได้แต่ก็เขาแต่อาจจะหาวิธีที่จะที่จะตั้งสภาที่ไม่ครบถ้วนและทํางานทํางานได้ก็รู้สึกว่ามั่วยอย่างที่ว่าต้องขอโทษอีกทีนะ ใช้คำว่ามั่วไม่ถูกใช้ทราบใครจะทำมั่วแต่ว่าปกครองประเทศมั่วไม่ได้ที่จะคิดอะไรแบบแต่ว่าทำประปรดกไปให้เสร็จไปทำไม่ได้เขาก็โยนให้พระมหากษัตริย์ทำจนยิงร้ายกว่าทำมั่วอย่างอื่นเพราะพระมหากษัตริย์ไม่ไม่มีหน้าที่ที่จะไปมั่วก็เลยต้องขอร้อง่ายสารให้คิด ให้ช่วยกันคิดเดีย๋ยวนี้ประชาชนประชาชนทั่วไปเขาหวังในศาลโดยเฉพาะศาลฎีกาศาลอื่นๆเขายังบอกว่าศาลขึ้นชื่อว่าศาลดียังมีความซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุมีผลและมีความรู้เขาท่านได้เรียนรู้กฎหมายมาและพิจนารณ า, าเรื่องกฎหมายที่จะต้องศึกษาดีๆประเทศชาติจึงจะรอดท้นได้ถ้าไม่ทําตามหลักกฎหมาย หลัของการปกครองที่ถูกต้องะใช้ชาติไปไม่รอดอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่มีไม่มีสมาชิกสภาถึงห้าร้อยคนทํางานไม่ได้จะต้องคิดเจราณาดูว่าจะทํายังไงสําหรับให้ทํางานได้จะมาขอให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ตัด ส, สินเขา อ, อาจจะว่ารัฐธรรมนูญนี้พระมหากษัตริย์เป็นคนลงพระธรรมาพิไทยจริง แต่ลงพระบรมราชพิไทยก็เดือดร้อนแต่ว่าในมาตราเจ็ดนั้นไม่ได้บอกว่าพระมหกศากษัตริย์สั่งได้ไม่มีลองไปดูมาตราเจ็ดเขาเขียนว่าไม่มีการบทบัญญัติแต่บรัชทายุทไ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์เป็นป ร, ระมุขไม่ได้บอกว่ามีพระมหกากษัตริย์ที่จะมาสัางการได้แล้วก็ขอยืนยันว่าไม่เคยทั่งการอะไร ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆทำถูกต้องตามรัฐธรระะมนูญทุกอย่างอย่างที่เขาขอบอกว่าขอให้มีใหรพระราชทานนายกพระราชทานไม่เคยไม่เคยมีข้อนี้มีนายกแบบมีการรับสนองพงระบรมราชโองการอย่างที่ถูกต้องทุกครั้งมีคนเขาก็อาจจะมามาบอกว่าข้ามหาประัตรราะชะการที่เก้าเนี่ยทําตามใจชอบ ไม่เคยทำอะไรตามใจชอบมันจะเป็นมามีรัฐธรรมนูนหลายฉบับแล้วก็ทำมาหลายสิบปีไม่เคยทำอะไรตามใจชอบถ้าทำไปตามใจชอบก็เข้าใจว่าบ้านเมืองล่มจมมานานแล้วแต่ตอนนี้ผมขอให้ทาตามใจชอบแล้วเวลาถ้าเขาถ้าทำตามที่เขาขอเขาก็ต้องต้องด่าว่านินทาพระมหากษัตริย์แลาวทตามใจชอบซึงไม่ใช่กลัว ถ้าต้องทําก็ต้องทําแต่ว่ามันไม่ต้องทําเพราะวันนี้น่ะอยู่ที่ผู้พิพากษาสานกิกาเป็นเป็นสำคัญที่จะบอกได้สารอื่นๆสารปกครองสารรัฐธรรมนูญสารอะไรไม่มีข้อที่จะอ้างได้มากกว่าสารกิกาเพราะว่าผู้พิพากษาสารกิการที่จะมีสิทธิ์ที่จะพูดที่จะตัดสินฉะนั้น เรขอให้ท่านได้พิศเรณาดูสาัไปพิศารณาไปศึกษากับผู้พิพากษาศาลอะไรอื่นๆสานปกครองสารรัฐธรรมนูญก็ควรจะทำอย่างไรแล้วต้องรีบทำไม่งานบ้านเมืองล่มจมก็ดีจต่ี้ดูดูทีวีเรือหลายหมืน่นตันจนพายุจมลงไป 4,000 เมตรในทะเลเรายังต้องดูว่าเรือนั้นลงไปอย่างไร เมืองไทยจะจมลงไปลึกกว่าสี่พันเมตรแล้วก็กู้ไม่ได้กู้ไม่ขึ้นฉะนั้นท่านเองก็จะเท่ากับจมลงไปประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้อินโนอิเนก็จะจมจะจมลงไปในมหาสมุทรเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่วิเศษที่สุดที่สุดในโลกฉะนั้นท่านก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติศึกษากับผู้ที่มีความรู้เพื่อที่จะเขาเรียกว่ากูชาตนั่นแหละ เอะอะไรก็กูชก้ชาติกู้ชาติกู้ชาตินั่นแหะเดีย๋ยวนี้ยังไม่ได้จมสมัยคิดถึงแต่ที่จะที่จะไปกู้ชาติแต่ว่าป้องกันไม่ให้จมลงไปแล้วเราจะต้องกู้ชาติจริงๆแต่ถ้าจมแล้วกู้ชาติไม่ได้จมไปแล้วฉะนั้นต้องไปพิจารณาดูดีๆว่าควรจะทําอะไรถ้าทาได้สึกษาหารือกันได้จริงๆประชาชนทั้งประเทศและประชาชนทั่วโลกจะอนุโมทนา อาจจะเห็นว่าผู้พิาพสสากษาศาลฎีกาในเมืองไทยยังมีเรียกว่ายังมีน้ำยาและเป็นคนที่มีความรู้และตั้งใจที่จะที่จะบูชาจริงๆถ้าถึงเวลาข็ขอขอบใจท่านที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทําหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ดีๆอย่างนี้บ้านเมืองก็จะรอดพ้นไม่ต้องกลัวขอขอบใจที่ท่านพยายามปฏิบัติโดยดีแล้วประชาชนจะอนุโมทนา ขอใจแทนประชาชนทั่วทั้งประเทศที่มีผู้พิาพาทสารกิจาที่เข้มแข็งขอบใจขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติงานด้วยดีมีพลานามัยแข็งแรงส่อสู้ส่อสู้นะส่อสู้เพื่อความดีส่อสู้เพื่อความยุติธรรมในประเทศขอขอบใจ